เรื่องอริยธนาคาถาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเป็นปาตกราธรรมพิเศษปารบเหตุที่ท่านทงร้ายได้สละเวลาอันมีค่าหลังไหลกันลงมาสู่วัดวาอารามทำบุญทำทานถวายผ้า จำนำพันษาถวายสังฆทานก้าวป่าอาหารประจุจจตุปใจเชยทานต่างๆแก่พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นจำนวนมากในวันนี้ขอให้ท่านนังลร้ได้อยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังให้ความเคาร ب, เพเอื้อเฟื้อต่อธรรมตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความเคารพเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการ เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจในการดำเนินวิถีชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่ตังคมแก่พระศาสนาเสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้เมื่อกี้นี้ท่นานนางร้าได้ฟังโมกพระสององค์ขาสามมันเด่น ได้สวดบทพระธรรมอันเป็นบุพภาคเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนาธรรมิกฐานี้จบลงไปพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดทั้งสามนเณนีน้อ ย, อยทางหลายได้สวดเป็นคณะสาธยายบทพระธรรมแปลจากบาลีมาโ่ภาษาไทยในเรื่องอริยธนขคาถา วันนี้จะมาภาผูกเป็นตัวแทนของคณะสองทั้งหมดในที่นี่ก็ข อ, ขอถือโอกาสนี้กล่าวอธิบายขยายเนื้อความชี้แจงแถลงไขให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเนื้อท่อยกระท o งความอันเป็นหลัก แก่นแก่นกลางของเนื้อหาสาระในบทพระธรรมที่สวดไปเมื่อกี้นี้ถ้าหาท่านตั้งายตั้ง อ, อกตั้งใจฟังก็คงจะมีความรู้ความเข้าใจมีแนวคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่พระอันสวดเมื่อกี้นี้แต่อย่างไรก็ตามเรามีจำนวนกันมาก บางก็พูดคนละคำสองคำมันก็เลยมากคำกันก็เลยพูดกันไปฟังกันไปไม่รู้เรื่องบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอาดจจมาก็เลยถือโอกาสนี้ขยายความบทพระธรรมนี่ทำไมจึงต้องมาพูดกันในเรื่องนี้ในวันเช่นนี้ก็วันเช่นนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาะพ่อแม่ปู่ยา่าตายายบรรพบุรุษของเราหลายชั่วคนร้ายชั่วโคตร ในพื้นแผ่นดินที่ราบสูงเมืองอีสานตลอดสองฝ่าฝัา่งโคง้งตลอดทั้งประเทศไทยทั้งประเทศและประเทศราวอ้ายน้องของเราพัวบุญข่าวซาหรือวชลาข่าวพัดบุญข่าวประดับดินกะดีตลอดทั้งบุญออกพันา้าเข่าพันา้าบุญกาทินบุญพระเวสสันดร วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันเข้าสาขาประดับดินนี้ภาคอีสานของเราประเทศเราของเรานั้นไม่ต้องตีเกาะเคาะหไม้ไม่ต้องประชุมชาวบ้านก็รู้เองที่รู้เองนี่เพราะถือว่าเป็นนิสัยที่สืบทอดมากลายเป็นประเพณีเป็นขนมธรรมเนียมจากพ่อแม่บรรพบุรุษปูยาา่ย่าตายายของเรามาเลยแต่ที่เราควรจะได้เข้าใจกันให้มากๆขึ้น วันนี้เป็นวันออกพรรษาวันมหาปวารณาร่างหลายอาจจะเข้าใจบ้างแล้วก็มีหรือยังไม่เข้าใจก็มีวันออกพรรษานี้เราควรจะทำอย่างไรกันบ้างสาหรับหน้าที่ของพระออกพรรษานี่ไม่ใช่เป็นวันปลดปล่อยอิสรภาพอะไรเหมือนที่เราเข้าใจ สำหรับผู้ที่ไม่มีศรัทธานั่งก็คงคอยรอคอยวันเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้าเมื่อไหลจะออกพรรษาสทีพระนุ่มเน้นน้อยบางคนตั้งอกตั้งใจจะศซกมาตั้งแต่ยังไม่บวชจะเอาพรรษาเดียวก็เลยไม่ได้มีศรัทธาเท่าที่ควรนี่จะต้องประพฤติปฏิบัติสินสนมาธิปัญญาเจริญเมตตาภาวนาสมาธิสมถะวิปัสสนาอะไรก็ไม่ได้คิด ทีดว่าอยู่ไปกินไปนอนไปให้มันหมดวันหมดเวลาแล้วก็จะได้ซึกออกมาสนุกสนานตามชาวบ้านฟังมอร้องม อ, งมองลำบุกนกระถินบ้านนั้นบ้านนี้ประเพณีอย่างนี้ไม่ใช่ประเพณีที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราพาทําแต่เป็นประเพณีของกิเลส ข, ของคนโดยทั่วๆไปมันทํากันเอง จวนจะออกพรรษาเสียงจุดประทับเสียงจูดบังกะเภกบ้านเราเรียกว่าบังกะเพลแหวดังสนั่นวันไหวหูดับตับไหม่ดังแต่ในว่านในวัดนางนาเข้าสามมณนนีน้อยน้อ ย, อยได้เงินข่าบังสกุลอะไรมาที่ไหนเข้าไปได้บ้านไตซื้อประทับจุดกันสนั่นวันไหวพ่อค้าที่ขายประทับก็เลยได้เงินกันไปในหน้านี้ แล้วก็ไม่ถือสากันบ้านเมืองก็ไม่ถือว่ามันเป็นความผิดปล่อยให้จุดประทัดกันดังสนัน่นวันไว้เอาเงินมาเผาทิ้งแล้วก็ทําลายความสงบพอให้เกิดความตกอกตกใจชาวต่างชาติมาบ้านเรางงอีกมันอะไรกันแน่ที่วัดอาดมามีชาวต่างชาติฝรัง่งมาบวชอยู่เป็นสา ม, มเณรแค่ก็ไม่เข้าใจวันนี้มันอะไร ทำไมคนไทยต้องมาจุดไอ้ น, นี่คี้แหลกแก น, นึกือบปืนนะการคืนมาเรื่ยๆสิบกว่าวันจะออกพรรษาสิบยี่สิบวันน<ม>ั่นแหละทำกันมาตั้งแต่เนิ่นๆเสียงจุดประทัดกันซาแนนกุฏิของเราเป็นกระท่อมไหม่มีฟ้าเสียงที่ไหนดังมาก็ได้ยินหมดเช้ามาสามมนเณรมาถามเช้าเลย ทันอาจาร์ได้ยินไหมมัเมื่อคืนนี้เขายิงอะไรอยู่ใกล้ๆนี่แต่น้นวันไว้ไปหมดแล้วยิงทุกวันเขาบอกเค <c oughs> ลสี่ลรังบอกเคลสี่บ้าที่สุดเลยผมไม่เข้าใจว่า I don't understand v e r y crazy is เขาไม่เข้าใจมันบ้ากันหมดแล้วอย่างเงี้ยอาจจะมาก่อนนึกขำอยู่เพิ่งกันวันนี้คือความไม่เข้าใจฝังไม่เขา้เขาใจคนไทย เขาบอกว่าผมพอจะเข้าใจภาษาไทยแต่ผมไม่เข้าใจคนไทยนี่คืออะไรแกไปเห็นคนไทยซื้อเหล้ากินราคาแพงๆขวดหนึ่งแม่ค้งแปดสิบเก้าสิบกว่าบาทข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นข้าราชการซื้อเหล้ามานั่งกินขวดหนึ่งแปดสิบเก้าสิบบาทแต่ปล่อยให้เมียไปตักน้ำ มากินหาบบาปอกเมื่อค่าน้ำประปาเดือนละยี่สิบห้าบาทไม่สามารถที่จะเสียให้เขาได้ว่ามันแพงให้เมียไปตักน้ำมากินตักน้ำมาซักผ้าจนบาปอกบาโลกหมดแต่ค่าน้ำเราควรละแปดสิบเก้าสิบบาทซื้อกินได้เดือนหนึ่งหมดตั้งเยอะแยะนี่แกบอกว่าผมไม่เข้าใจคนไทยผมเข้าใจภาษาไทยบ้างแต่คนไทยเข้าใจยาก ทั้งนี้และทังนั้นก็เพราะเหตุบาเราไม่เคยคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้สนุกสนานความจริงตามใจคือคือธาตุแท้ของกิเลสไม่ใช่ไทยแท้ ลองบังคับใจได้จึงเป็นไทยแท้ในทางพุทธศาสนาไทยแปลว่าไม่มีใครมาเป็นนายไม่มีกิเลสมาเป็นนายในหัวใจบ้านเราเมืองเราต้องการจะเป็นนิเกจจะถูกนกพอเราเป็นทาตเรายังไม่เป็นไทยเราเป็นทาตของความเช่นแก่ตัวเป็นทาตของความอยากเป็นทาตของความต้องการนันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นแหละในวันจะออกพรรษา ก็อเป็นธาตุของกิเลสรอคอยให้หมดวันฝ้าบังกระพกมาจุดกันแต่ก่อนโน่นมันยังไม่เจริญนก้าวหน้าพระสง้งองค์ก้าวนี่แหละเป็นหัวหน้าพาชาวบ้านตํามซื้อพวกอาดินประสิวมาซื้อมาซื้อก ร, รมาทันมามาเห็ดมือเห็ดขี่เกียเอามาตามเนนน้อยอยู่ที่ไหนไปหาลาปอมาเผาหาไม้มาเผาถ่าน แล้วก็เอามาตากดีๆเอามาคั่วใส่กันกับพวกกันมาขันแล้วก็มาตําเป็นพลังงานแม้มาตําให้แตกให้ปนปี้แล้วก็ตากหลังจากนั้นก็เอามาไฟเข้าไปต่อเข้าไปมาเป็นบัง ก, กับหกไงไปเอาไม้ไผ่มาหลอกออกเตียวมาบิดมาทําชะเนาะขันวันออกพันษาเบา อ, อย่าคู่เป็นหัวหน้าจูบบัง ก, กับหกถึมพาสันจูดเห็นยังหรอจว่าสัน ถามไปถ้ามาก็พอจะบอกว่าจูดออกพรรษาคล้ายๆกับจะเป็นการจูดประกาศอิสรภาพออกพัรศาแล้วโว้ยว่าอย่างนี้ข้าจะไไปที่ไหนได้ข้าจะได้ศึกแล้วโว้ยอะไรพวกนี้ข้าจะได้กินเหล้าแล้วโว้ยคล้ายๆกับจะประกาศอิสระภาพอย่างนั้นบางคนไม่กินเหล้าในเวลา น, นอกพรรษาเข้าพรรษาตั้งใจอดได้ ไม่ซูบุหรีไม่กินเหล้าทั้งพันษามแหมนี่มันตั้งสามเดือนเก้าสิบกว่าวันแล้วมันก็เก่งมาพอสมควรน่าจะเก่งต่อไปแต่เสร็จแล้วพอออกพัรษาได้ยินเสียงสัญญาณทึม่มโอ้โหออกพัรษาแล้วจะได้กินเหล้าจะได้สูบยาจะได้ส ม, มเรลเทมเมาอีกละโว้ยนี่อะไรนี่ไม่ใช่ความเป็นไทยนี่มันเป็นทาตแท้ของกีเลสเก้าสิบันชนะได้ก็น่าจะชนะขาดร้อยต่อไปนี่เหมือนกับสอบตก ไม่ได้สักทียีงอพรรษาวันแรกกินใหญ่เลยเพราะว่ากินชดเชยเก้าสิบวันที่ไม่ได้กินลักษณะเช่นนี้และเราจึงได้ยินเสียงจุดประทัดเสียงอะไรต่ออะไรเพื่อประกาศอิสรภาพนี่มองในแง่นี้ความจริงลักษณะเช่นนี้ไม่จําเป็นอะไรต้องไปซื้อมาจุดมาเผากอ่อความโก่อละหอนวุ่นวายตก อ, อกตกใจเผาเงินบ่าทองอะไรต่ออะไรกัน เป็นอย่างนี้เวียนเทียนรอบวัดสามันออกพรรษาจุดประทัดคนหนุ่มคนสาวสนุกสนานบางคนก็ดสดีดสะดิ่งเต้นเต้นได้ยินเสียงจูดประทัดตกใจเต้นถือประที่เวียนเทียนไม่หูไม่ตากันสะทดอย่างนั่นคือการออกพรรษาความจริงในพระธรรมบินัยไม่ได้หมายความว่าอย่าง น, านั้นออกพรรษาเป็นวันปวารณาวันปวารณานั้นปวารณามีสองปวารณา โยมปรวรณาวันเข้าพรรษาเปิดโอกาสให้พระได้ขอจตุปัจจัยไตรยทานปัจจัยสี่อันสมควรแก่สัมมนาสารูปสิ่งใดจําเป็นแก่ท่านในพรรษานี้ท่านไม่สามารถกลับไปหาญาติี่น้องที่อื่นได้ท่านจะต้องนอนประจําอยู่ในวัดก็ผมขอที่โอกาสนี้เปิดโอกาสให้ท่านมาขอสิ่งของที่จําเป็นแก่สัมมนาสารุปพระจึงขอได้เพราะความจริงพระจะไปขอสุ่มสี่สุ่มห้ากับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาไม่ได้เปิดโอกาสให้ไม่ได้ ตองอาบัตเดี๋ยวนี้ถือบาทถือซองอะไรไปเที่ยวแจกมั่วไปหมดไม่ทราบว่าเขาจะให้หรือไม่ให้พระพุญญา้าตุปรับอาบัตไปขอสุมสี่สมห่ากับชาวบ้านไว้เข้าใจไว้อย่างนิสกอนพูดแล้วก็เวโลเขมีนะยา่าโกรธเถืองกันสําหรับท่านที่กําลังทําอยู่ว่ะเพราะว่าท่านสมภพในมีดาดาไม่ใช่ดารักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรั ก, รรกฟุงรักศาสนารักความมั่นคงรักความถูกต้องท่านที่ดีก็มีเยอะ ที่นิยมก็เหมือนการโยมเข้าปวารณาต่อพระในวันเข้าพันตาแต่วันอกพันษานี่ไม่ใช่วันจูดบ้างกับโภกแต่เป็นวันที่พระจะสงบปากสงบคําสัญญาปิดปากพระมีเท่าไหร่รวมกันอยู่ในวันหรือที่อื่นจะมารวมกันั้งก็ได้แล้วก็ทําไหว้พระสวดมนต์เสร็จประกาศบุพภกิ์แห่งการปวารณาและก็ยัติประกาศปวารณาสงฆ์พร้อมแล้วในหัตถบานนี้ ในมณฑล น, น, นี้บัดนี้ถึงเวลาแล้วท่านควรจะได้ปวารณากันได้แล้วเปิดโอกาสว่ากล่าวตักเตือนเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่ก็ลุกขึ้นนั่งกลาบพระพุทธรูปแล้วก็นั่งกระย่งเท้าพนมมือประกาศต่อสองฆ์ก่อนเลยสั่งคำพันเตสังคำมัฟโซปวานเรมิิเทนวาสุเตนวา ภริษังเกยรวาววะหันตุมังอนุกัมปังอุปัฏฐายะปัจฉโตปฏิฎกริษามีท่านผู้เดินทั้งหลายกระผมขอประกาศเปิดโอกาสต่อท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้ว่ากล่าวตักเตือนสิ่งใดที่ผอมไม่ดีไม่งามท่านได้เห็นท่านได้ยินท่านได้ฟังได้รังเกียจได้สงสัย ว่าผมไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็ช่วยว่างกล่าวตักเตือนผมด้วยผมด้วยความอนุเคราะห์เมตตาผมได้ยินได้รู้แล้วจะพิจารณาตนเองปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้าหากมันไม่ถูกไม่ต้องหลังจากนั้นก็เรียงลงลำดับจากผู้ใหญ่ลงไปจึงถึงผู้น้อย วันนี้เป็นวันแห่งความสงบเสงี่ยมวันที่จะไม่ยกหูชูง่วงวันที่เราจะไม่เป็นผู้แข่งกันด่างวันที่เราจะไม่มีทิฏฐิมานะวันที่เราจะสัญญาปิดปากอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังเหตุผลซึ่งกันและกันพวกเราเป็นวันจูดบ้างกับพกเป็นวันขายบั้งกับพกเป็นวันสนุกสนานวันจะได้กินเหล้าเมายาสาหรับโยมคอยทราบไว้ว่าวันนี้คือวันแห่งความสงบ วันแห่งความที่ไปมีการทะเลาะนิทรังประวัติตรังยังประเทศวัชะทัศสินานิแกวาทิงเมธาวิงจันโสบันทิตาพระเชเมื่อ คบกับบัณฑิตผู้ว่ากล่าวตักเดอนชี้โทษแล้วชี้โทษอีกพึงรู้เถิดว่าเปรียบเสมือนเขาชี้ขุมทรัพให้ประพุติเจ้าท่านบอกเราจะบอกขุมทรัพย์คือความถูกต้องให้แก่กันและกันซรัพย์ที่นี่หมายถึงความถูกต้องความดีงามความมั่นคงในจิตในใจเรียกว่าอารยทรัพย์ พระสงฆงคาทัานสวดเมื่อกี้อริยธรรมคาถ า, าอริยะแปลว่าประเสริฐท่นะแปลว่าทรัพย์คาถาถ้อยคําอันบอกกล่าวเกี่ยวกับทรัพย์เรื่องราวทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์มีอยู่สองสทรัพย์ต่างๆทุชน่างหลายทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกเงินทองข่าคล้องแก้วแหวนเรือนชานบ้านช่องรถราต่างๆที่เรามีอยู่มีใช้สะดวกสาบายใ น, นเรว่อทรัพย์ภายนอก ส่วนทรัพย์ภายในได้แก่ศรัทธาความมั่นใจในการเป็นอยู่ในการดําเนินชีวิตในเหตุในพ้นในบาปคุณคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สิ้นความควบคุมกายวาจาของตอนเองให้ปกติไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ก่อความเดือดร้อนเพราะการกระทําการพูดของตอนเองให้แก่ตนเองให้แก่คนอื่นฮิริโอตปะความอาจุ่กเองกลัวต่อบาปสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ตองไม่ทําตั้งในที่รับเลยที่แจ้ง อย่างนี้ห่วหุสัจจะการเป็นผู้ได้สะดับตรับฟังศึกษาเรียนมามากในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามรู้จักเลือกจากเฟ้นจาคะการเป็นผู้รู้จักสีสละตั้งแต่ของหยาบยาภายนอกให้จิตใจมันปลอดป่องปล่อยวางตลอดถึงการสีสละจิตใจความเพี้ยนแก่ตัวของตนเองความโกง ความเกียดความเกียดความชังที่อยู่ในใจสลับสละมันออกไปจากจิตจากใจปัญญารู้แจ้งสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงสภาพเป็นอยู่สภาพเป็นจริงแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแชิอันนี้เรียกว่าอริยทรัพย์แต่หัวหน้ามันอยู่ที่ศรัทธาเมื่อกี้นั้นเราพูดถึงเรื่องอริยทรัพย์ที่ว่าอริยธนกัตถาที่พระท่านสวดเมื่อกี้นี้นั่น ทรัพย์ภายนอกแก่แวเงินทองทรัพย์สินเงินตามันนนำมาสึ่งความสะดวกสบายทางกายภายนอกแต่ไม่สามารถจะซื้อเอาชีวิตไว้ได้ซื้อว่ามัตุลาดหนีบ่เห็นแก่เงินคำเมนซิมี่เงินคกือไทยเอาบ่มีได้ซื้อ ว, วา่าควมำตายหนีเปิงเป็นท่องโลกเคอจังไฟหมอดแล้วควน่นันบ่เห็นเศรษฐีคนมั่งมียาจกวนันนพกคนยากจน พระราชามหากษัตริย์ผู้ของแว้งจกักรพรรดสิสวมมงกุฎสวมคราทาประดับเพชรทองคำก็จะต้องตายเหมือนคนขอทานหรือกบาลขอข้าวเมือนกันทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถ ที่จะซื้อเอาความสุขสู่หัวใจได้ซักทางร้ายภายนอกไม่สามารถจะซื้อเอาความพ้นทุกความดับทุกในใจได้อย่างเก็งก็เพียงแต่บรรเทาทุกทางกายซับภายนอกซื้อความสะดวกสบายทางกายเรามีรถจนขี่ไปไหนก็ได้มีเครื่องบินขี่ไปไหนก็สะดวกสบายดีกว่าเดินอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศมันก็ไม่ร้อนแต่จิตใจไม่สามารถจะเยือกเย็นได้ภายใต้ห้องแอร์ซับภายในนั่น นํามาซึ่งความสุขใจความสุขกับความสะดวกสบายคนละอันกันนั่งรถเก๋งติดแอร์มีตึกติดแอร์อยู่บ้านติดแอร์เลือกเย็นภายนอกแต่กิตใจร้อนเป็นนรกติดแอรก็ได้เป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในห้องแอร์อรก็ได้ ตกนรกติดแอจิตใจเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์มีนี่มีสินหรือก่อ เ, อเวสรสั่งกาไปคดไปโกงบ้านเมืองใครมากอดตามต น, นเองก็เร่าร้อนนึกถึงทีไรห ล, ลังจากนั้นก็เป็นอสุรกายติดแออสุรกายแปลว่าวูมีความหวาดหวั่นไม่กล้าหานย่านตายเพราะความชั่วดทีทําแล้วไปไหนมาไหนต่องจ้างมือปืนแห่เป็นสิบสิบคนในที่สุดยังถูกวางระเบิดตายถูกยิงตายบ้างนั่นอสุรกายติดแอ หลังจากนั้นยังเป็นซาเดลราชานติดแอร์มีความชิดขวางต่อความเจริญของบ้านเมืองของชีวิตของสินของธรรมอยู่ในห้องแอร์แล้วก็เป็นเปรตติดแอร์หิวอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศได้ร้อยล้านไม่พอต้องพันล้านต่อเมืองล้านเพื่อจะขยายอาภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสบาตรธนากลายเป็นมหิธานุเปรตผู้หิวกะหายฤทธิ์อำนาจกลายเป็นบิมานิกะเปตผู้หิวอาหาอยู่ในวิมานกลายเป็นเปรตติดแอร์เพราะฉะนั้น ห้องแอรกั็ดีเงินทองทั้งหลายที่สะดวกสบายไม่สามารถที่จะซื้อเอาความสงบความสุขเย็นคนไม่มีเงินมีทองแต่เป็นผู้มีการปรพฤติทางกายทางวาจาดีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมั่นใจในการดําเนินชีวิตที่ไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนใคร มั่นใจในสินในธรรมตนเองได้กระทำมาแล้วคิดมาแล้วก็ยังชื่นใจยกมือไหว้ตนเองได้กระทำหลังน้อยนอนมุดหัวเข้าไปก็หลับสบายไม่ต้องใครมาจับกลัวมาจับเขาจะมาจับไปเรียกข่าไทยไม่ต้องกลัวใครจะมาดักยิงดักฆ่าเพราะเราไม่เป็นทิศเป็นภยัยไม่มีอะไรก่อนอนหลับสบายไม่ได้กอลำทำเข้นกอเวนสร้างตำนี่เรียก ว, ว่าซัพภายในไปไหนมาไหนสะดวกสบายชื่นใจในการเป็น อยู่ในการไปมาแม้แต่จะตายในวันนี้ก็ยังชื่นใจหลับต า, ตาตายยิ้มต้อนรับต่อความตายเหมือนกับการตายนั้นจะทาให้เราก้าวไปสู่อนาคตที่ดีของสวงสวรรค์ที่เราได้ทำไปแล้วจิตใจมันสะดวกสบายแม้แต่เวลาจะตายนั่นและเรียกว่าทรัพย์ภายในที่มันมีอยู่ พระนุม่มพะระสงองค์จ้าที่สวนเมื่อกี้ท่านบอกว่ายศศรัทธ า, าตท่าคะเต อ, อาจารสุปฏิทิตาศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวมีความเชื่อมั่นในพระตถาคตพ ร, ระพุทธเจ้าคำสังสอนของท่านที่ดีงามเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรียกว่ามีทรัพย์อันประเสริฐศีลัใจักษ์กลยานังอริยะกันตังประสังสิ ต, ตางผู้ใดศินของผู้ใดงดงาม เป็นที่สละเริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปสาทอัาสติอุชุภูตันจะทัสสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ความเห็นของผู้ใดต้องอาาลิโตที่ตังอาหะมันดีกล่าวเรียกขาวผู้นั้นเป็นคนไม่จนอะโมคันตัสะชีวิตต่างชีวิตของเขาไม่ว่างเปล่าไม่เป็นมันตอนแรกบงบอกถึงศรัทธา ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตอนที่สองบอกว่าศินของผู้ใดงดงามเป็นที่พอใจที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าสินที่เป็นที่พอใจที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าอริยะไปว่าประเสริฐเป็นที่พอใจของคนดีของผู้ประเสริฐตัวเราเองจะรู้ได้เอง เราควบคุมกายควบคุมวาจาคล้องเราให้ปกติไม่เดือดร้อนไม่ไปกตอกำทําเข้นก่อเวรสร้างตําไม่กระทบกระทั่งใครด้วยกายด้วยวาจาใช้เราก็สงบไม่หวานในที่รับไม่หว่าในที่แจ้งคิดไปแล้วก็ไม่กินเน่งแทงใจไม่เน่าในเปียกแชะในการกระทําของตนเองไม่เกิดวิปติสนาไม่เกิดความเดือดร้อนในจิตในใจคิดแล้วก็ชื่นใจว่าโอ้ยเราได้ทําดีมาตลอดเนาะ ไม่มีตรงไหนตรวจทานสอบทานตนเองอยู่ตลอดเราทำอะไรไม่ดีทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนเราทำอะไร ไม่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเรามีความโลภเอารัดเอาเปรียบคนอื่นยังไงมันไม่มีมีแต่การให้มีแต่การเตียยสละมีแต่ความภาคภูมิใจอย่างนี้พระอริยเจ้าสรรเสริญศีลแบบนี้ไม่ต้องแบกไปยึดมัน่นถือมั่นไปคมแหงใครมั่นใจในตนเองศีลชนิดนี้แหละยกมือไหว้ตนเองได้เรียกว่าอริยะตันตศีลศีล น, นั่นแปลว่าความปกติแห่งตายแห่งวาจาตลอดทั้งใจด้วยหลังจากนั้น เรามีศรัทธาในพระสงค์ผู้ประพฤติคุณงามความดีพร้อมกันนั้นเราก็เป็นผู้มีความเห็นอันซื่อตรงอุชุภูตันจะทัศนังอุชุแปลว่าตรงภูตะแปลว่าเป็นทัศนังเห็นซื่อตรงต่อความเป็นจริงอะไรเล่าคือความเป็นจริงอานิจังทุกครังอ น, นันตาความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ไม่ได้นานอาศัยเหตุปจัจจัยแปลว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอา น, นิจังและยังเป็นอ น, นันตาไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับของใคร เห็นจริงอย่างนี้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเห็นบาปเป็นบาปเห็นบุญเป็นบุญเห็นคุณเป็นคุณเห็นโทษเป็นโทษเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างถูกต้องเห็นสิ่งที่ควรละต้องละเห็นสิ่งที่ควรเจริญต้องเจริญให้เกินให้มีอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นตรง พระพุทธเาหันคนนั้นไม่จนมีทรัพย์แล้วมีทรัพย์อันประเสริฐแล้วชีวิตไม่ไม่ว่างเปล่าชีวิตไม่เป็นหมันเรื่องนี้แหละหั่นทั้งหลายมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาทรัพย์ภายนอกนั่นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์ภายในนั่น คือการประพฤติปฏิบัติอันดีงามมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาวันนี้วันมหาปรวรณาวันที่สองปวารณากันแล้วชาวบ้านของเราก็ยังได้มาถาวายผ้าจำนำพรรษาผ้าจำนำพรรษา this แหละคือผ้าที่พอกพูนศรัทธาอาจจมาใช้คำว่าผ้าหอกพูนศรัทธาจำนำพรรษานี i s ยังมีชื่ออีกผ้าหนึงเรียกว่าอจเจกจีวรนจีวรที่รีบด่วนผ้าที่รีบด่วนหมายถึงว่าผู้ ผ้าจำนำพรรษาดีทายกผู้มีเหตุรีบร้อนขอถวายก่อนกำหนดเวลาปกติกำหนดเวลาปกติสำหรับถวายผพาจำนำพรรษาคือจีวรการนั้นกล่ารคือต้องผ่านวันปวารณาไปแล้วเริ่มตั้งแต่แรมคำหนึงเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงวันเป็นดเดือนสิบสองและผ้าการกรินแล้วนับต่อ น, นั้นต่อไปอีกก็ได้หลังจากนั้นไปแต่ที่ที่ว่าผ้ารีบร้อนอัจเจกนั้นพระบุตรเจ้าทัานอนุ ญ, ญาต ให้ภิกษุผู้จําพรรษาอยู่เนี่ยโยมจะรีบถวายผ้ารีบด่วนผ้าอาเจกะจีวมมีพุทธานุญาตให้ภิกษุรับแล้วก็เก็บไว้ได้แต่ต้องรับก่อนวันปวนารณาไม่เกินสิบวันคือตั้งแต่ขึ้นหกขําไปขึ้นหกขําไปถึงวันสิบห้าขําเดือนสิบเอ็ดดังในตัวอย่างสิกขาบทที่แปดแห่งป ต, ะ ต, ะตะวัคนสิสกีปาจิตตีเราจะได้เห็นทําไมท่านเรียกว่าผ้ารีบด่วน คือผ้าที่ส่งเสริมเพิ่มเติมศรัทธารีบด่วนนี่มันมีสองรีบด่วน ในสมัยพุทธกาลพอออกพรรษาพระประสงค์องค์เจ้าจะแยกย้ายกันไปประวัณ า, าแล้วก็ไปหาผ้าทายจำพรรษาเขาพาลกกูกคนไปหาผ้าได้คนละซองละแค้่ละวาเอามารวมกันแล้วก็มาทําเป็นผ้าจีว bon. รเรียกว่าตทินอัถริตุงเอาผ้ามาขึงมาตัดไฟไม้เอามาตัดเอามาขึงเอามาเย็บยไฟไหม้มันเป็นจีว bon รก็ได้เป็นสาบงก็ได้สังคาติก็ได้อันหนึง่งแล้วก็พร้อมใจอนุโมทนายกให้พระภิกษุรูปนึงเรียกว่ากริน กระถิ่นสมัยโบราณไม่เกี่ยวกับโยมเป็นเรื่องของผ้าล้วนๆที่ทีโยมก็เลยอยากจะได้บุนรีเอาผ้าเหล่านี้และมาถวายผ้าจำนำพรรษาจะวายให้องค์ใดก็ได้เสร็จแล้วผ้าเหล่านี้เรียกว่าอเจคจีบอลถวายได้อย่างรีบดวนพระออกพรรษาจะรีบไปอย่างที่วัดของเรานี้เมื่อออกพรรษาวันนี้พุ่งนี้มาลืนนี้ทาง พี่น้องทั่วสารทิศ ท, ที่มีความศรัทธานในพระศาสนาก็จะมาถวายผ้ากระถิ่นถวายสิ่งของนันเป็นบริวารกระถิ่นมีรลายแห่งโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง909นี่ก็จะมาหวายเป็นสามัคคีด้วยเอกเหมือนกันตามปกติที่วัดเราเอาวันสองคำ่ำเพราะหลังอย่างนั้นแล้วพระท่านจะไม่ได้เชื่องช้าท่านจะรีบเก็บ พวกบอลิคานบาทจีวอนเสร็จเรียบร้อยมีกฎมีบาท่านก็จะพากันเดินไปสแสวงหาคบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาปีนี้ก็เหมือนกันพอรับเสร็จฉลองสถายญาโยาด่างกระถินเสร็จพระสงองค์เจ้าก็จะจักกันเป็นสีสายเดินตีวงโอบล้อม สี่สายนี่มีเท่าไหร่็ว่ากันไปซ้ายละสิบ้ายละเจ็ดละแปดขวากันไปจับฉลากเสร็จขยแยกกันไปซ้ายตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็สายสายตะวันตกสี่สายเราไปรวมกันเป็นรูปวงกลมไปรวมกันศูนย์กลางที่หลังคูงัวแล้วก็ไปลงอุโบสถสามกีกันที่นั่นแล้วก็จะปฏิบัติธรรมกันอยู่ในภูนั่นอาจจะใช้เวลามาก จนกว่าชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวข้าวปลาเสร็จเรียบร้อยจึงจะลงมาปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่เผยแผ่ประฐานะดำรงไว้สิ่งพระธรรมสืบต่อไปเวลาจะไม่เชิงช้าเราก็เลยถือเอาวันสองค่ญาณโยมก็เข้าใจนี่ความรีบร้อนของพระความรีบร้อนของโยมก็ยังมีขึ้นมาอีกหมายความว่าโยมบางคนนั้นไม่มั่นใจในชีวิตต้องการที่จะ รีบรีบน่อยกลัวชีวิตจะไม่ปลอดภัยกําลังเก็บไข้ได้ป่วยกลัวจะล้มกลัวจะตายซะก่อนหรือพวกทหารที่กําลังจะไปสู่แนวรบอ่อนที่จะออกพันสาเหลืออยู่สิบวันนี่ไปสู่แนวรบนั้นไม่แน่ชีวิตอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะชีวิตแขวนอยู่ทหารในแนวรบนั้นแขวนอยู่บนเส้นทางแห่งความตายไม่ทราบว่าจะโูกกระสุนจะถูกลูกระเบิดจะเหยียบกับระเบิดจะตกลุ่มขวาก ของค่าเสริงนั้งตรงไหนอาจจะไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับมาสู่บ้านของตนก็ได้ใกล้ต่อความตายมีโอกาสตายได้ทุกเมื่อจึงต้องรีบสร้างคุณงามความดีบางทีอยากจะทําบุญซุนทรอทานไม่ต้องรอเวลาแม้จะรอให้ออกพรรษาสักก่อนจริงจะถวายผ้าเราก็ไม่มีเวลาพอ อีประการหนึ่งกลับออกมาแล้วจึงจะถวายก็ไม่แน่ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเลยอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุนี่รับได้ก่อนวันออกพรรษานี่สิบวันตั้งแต่แรมหค่ำเป็นต้นไปสามารถที่จะรับได้คือไม่เกินนั่นที่นี่ญาติโยมผู้ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไม่แน่ใจไม่น่าไว้วางใจความปลอดภัยของชีวิตไม่ทราบว่า จ, จะตายเมื่อไหร่ก็ได้ เป็นหลอกความดันสูงเป็นหลกอกเอามาผ่านหลกอกเอามาพึกหลอกไตวายเหมือนพันเอกสนอจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบเป็นหลกอกหัวใจเฮอถ้าตายไปแล้วจะเอาโอกาสไหนมาทำบุญซุนธรรธานมันแก้ไขไม่ได้เลยจะต้องไปตกนรกและไปร้องโซหังโ น, นนนะอิโตคันวายโยนิงรัธานะมนุษย์สิงห์วะสันว้ายบาสนี่ก่นะ็เนอะวะท่านหนุ่มผู้ขาได้เกิดเป็นคนคนจังสืบทบุญได้หลายเหตุจังใด แ, แต่ตอนเกิดเป็นคนไม่ทำ ก็เลยตรีดทามันตรงนี้กลัวจะตายซะก่อนก่อนที่วันจะออกพรรษาในวันนั้นยังเจ็บไข้ใดป่วยก็เลยทําอย่างนี้เรียกว่าเจกจีวอนเพื่อพ่อพูนศรัทธาเอาไว้เพื่อสร้างทรัพยภายในเอาไว้หลังจากนั้นบางคนมีท้องมีไส้ท้องใหญ่ในวันออกพรรษาเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสถาวายเจกจีวอนเราไม่อาจจะไม่มีโอกาสได้ถาวายทานอะไร กลัวว่าวันนั้นเราจะคลอดลูกหรือในขณะที่คลอดเราอาจจะตายการคลอดลูกนี่ก็เสี่ยงอันตรายต่อความตายพอๆกับทหารอยู่ในแนวลบข้อเหตุ น, นั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านมองการไก่มากท่านเลยเปิดโอกาสให้พระสององค์เจ้าอนุ ญ, ญาตให้รับอัจเจ ก, กจีบอลผ้าที่รีบด่วนก่อนจะออกอันสาปวารณาอย่างเหลืออีกสิบวันนี่เกินสิบวันคือตั้งแต่แรมหกค่ำตั้งแต่ขึ้น ตั้งแต่ขึ้นหกข้าเดือนสิบเ็ดไปจนถึงวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดถ้ามีทา ย, ยกจะถาวายก็รีบได้ทำไมจง ถ, าถาวา ย, ยานี่แหละเรียกว่าผ้าอัจเจกจีบอลที่รีบด่วนเพื่อเกื้อกูลเพื่อพ่อพูนคัทธานีอันหนึ่งละวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาถาวายผ้าจำนำปรรษาเมื่อสี่ห้าวันก่อนอาจะมาคิดว่าเออไม่มีใครคิดได้แต่พี่น้องชาวบ้านขุดจันทร์ ไม่ทราบว่าจะรู้พุทธานุญาตของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ไม่ทราบกลัวว่าวันนั้นเราจะมาไม่ได้แล้วก็อยากจะถวายทางบ้านด้วยอยากจะมาถวายทั้งนี้ก็เลยมาก่อนเราก็ได้รับกันไว้อันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนฉลองสรัทธาและก็พ่อพูนศรัทธาเอาไว้ศรัทธานิยติศรัทธาพันธติปาถิยะศรัทย่อมรวบรวมไว้ซึ่งสเบียงสเบียงอะไร สบียงของคุณงามความดีถ้าจะเปรียบเทียบสบีย์ทางร่างกายก็เหมือนข้าวปลาอาหาร<ะ>เราจะต้องกินข้าวปลาอาหารจึงจะมีเรี่ยวมีแรงประกอบหน้าที่การงานของเราสืบต่อไปได้ถ้าไม่มีอาหารกินเข้าไปแล้วร่างกายดีก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะดำเนินชีวิตที่จะสร้างพนงานทำอะไรต่ออะไรได้ต่อไปไนี่เรียกว่าศรัทธานั่นแหละเป็นสบียงสรัธาพันธติ ปาถายะศรทารวบรวมไว้ซึ่งสะเบียงทั้งหลายผูกพันเอาไว้ศรัทธาวิตังปุริ ส, รสัตเศษถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ท่านหลายลองคิดดูเรื่องศรัทธานี่สำคัญมากถ้าเรามีศรัทธาแล้วมีศรัทธาต่อสิ่งใดมันก็เป็นเหตุให้เราลงมือกระทำในสิ่งนั้น วงนักเล่นการพานันมีศรัทธาในการพานันมั่นใจจะได้เงินได้ทองในการพานันจะเลี้ยงชีพในการพานันได้นั่งเล่นให้โลได้ทั้งคืนยันสว่างไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวสูบบุหรี่อบ ป, ปอดลมควันกันอยู่ทั้งคืนก็นั่งกันได้นั่งเล่นไพ่ดัมมี่ได้ทั้งคืนยันระหว่างนั่นแหละเรียก ว, ว่าศรัทธาพันธติปาทายถยะศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเรีย่ยวเรง่งซึ่งซาเบียงให้นั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนให้นั่งเล่นการพานันได้ทั้งคืนพอมานั่งสมาธ สิบนาทียี่สิบนาทีจะตายจะเป็นอมภาพตายให้ได้พลิกไปพลิกมาเหมือนถูกจับโยนลงไปในนรกเพาะไม่มีศรัทธาในการทำสมาธิพระสององค์เจ้าบวชมาแล้วไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยภาวนาอะไรเพาะไม่มีศรัทธาในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่นคืออะไรท่านดังไา้มองให้ไกลคิดให้ลึกๆเหมือนคึกฤทธิ์คิดให้ลึกๆใายละเอียดลงไป คนเราทำอะไรนั้นทำได้ด้วยศรัทธาศรัทธานอกจากจะเป็นรัพย์ที่พระพุทธเจ้ากล่าวไปแล้วยังเป็นคุณธรรมอันประกอบไปกับคุณธรรมอย่างอื่นมากม า, กายกายกองท่านทั้งหลายลองสังเกตดูถ้าหากเปรียบธรรมะนี้เป็นยาทมวิในนี้เป็นยาสารพัดประโยชน์แต่ละยานั้นจะต้องมีตัวยาประกอบหลายชนิดรวมกันเข้าให้เกิดคุณภาพ เพื่อเป็นการแก้ไขโลกเยียวยาต่อโลกต่างๆสัทธานี่ถ้าเปียกธรรมะเป็นหยกเป็นยาสัทธานี่เนี่ยเป็นตัวยาสําคัญเป็นตัวธรรมะที่สําคัญธรรมะแต่ละหมดละหมดเนี่ยตั้งแต่ขั้นโลกโลกธรรมดาจะต้องมีสัทธาไปจนตลอดขั้นโล ก, กุตรละกาปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นเจริญสมาธิภาวนาสมถะวิปัตนาจะต้องเริ่มต้นด้วยสัทธาท่านหลายลองคิดดู รับภายนอกออริยะรับเริ่มต้นดน้วยสัทธาสิน้นต่อมาฮิริโอตะปาภุมเฉจจาค้าปัญญาเนี่ยซับภายนอกทีนี้ถ้าหันมาดูซับภา ย, ายนอ้ภายนอกคือแก้วแว้งเงินทองทรับภายในก็เก่าวแล้วคือสัทธาไปจนถึงปัญญาถ้าสูงขึ้นมามาถึงคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามันก็มีสัทธาอีกมีสัทธา ในประพุทธประธรรมประสงมีสิน้นนี่สวงบุญในเขตศาสนาไม่สวงบุญนอกเขตพุทธศาสนาไม่ถือมองคนเตือนข่าวมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาทางนั้นอุบาสกอุบาติกาสูงขึ้นไปถึงการปฏิบัติธรรมเพื่อจะดับทุกข์การปฏิบัติธรรมก็อาศัยศรัทธาเป็นพลังศรัทธาพลังวิริยะพลังสติงพณลงอย่างนี้สมาธิพลังปัญญาพลัง ริ่ม้วยสถาวิริยะสติสมาธิปัญญากำลังสถากำลังความภากเพีเยนกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเมื่อมีกำลังแล้วก็อาศัยความเป็นใหญ่ที่เรียกว่าอินทรีย์เป็นแนวหน้าเป็นตัวเบิกช่องเปิดลองให้นำไปสู่การปฏิบัติ อย่างถูกต้องต่อเนื่องและได้ผลวรวพธ์แล้วก็อาศัยศรัทธาเป็นอินทรีย์เป็นตัวใหญ่เป็นัฟคันตีัสตินซีวิริยินซีสมาทินซีนี่สตินซีสมาทินซีปัญญินซีขึ้นต้นด้วยศรัทธานั่านั้นเมื่อมีความเชื่อมั่นใจ มันก็ก่อให้เกิดการกระทําเรียกว่าวิริยะภาคเพียรเพื่อให้นําไปสู่ความสําเร็จเมื่อภาคเพียนไปมันก็เกิดสติปรากฏขึ้นรู้เท่ารู้ทันที่เราภาคเพียนอยู่มันก็เกิดสติเมื่อเกิดสติมันก็มีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาจิตใจล้อมรวมลงไปเพ่งลงไปเห็นทัฒนงังเห็นความเห็นตรง ตามสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นจริงเข้าเกิดปัญญาขึ้นเริ่มต้นโดยสถาเมื่อไม่มีสถามันก็ไม่มีความเพียรไม่ลงมือลงเรี่ยวลงแรงที่จะประพฤติจะปฏิบัติเมื่อไม่มีสถาก็ไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีความเพียรก็ไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาถ้ามีสถาก็มีความผ้าเพียร กระทำไม่เบื่อนายมั่นใจว่าทำแล้วจะต้องได้ผลเดียวนี้ไม่มีศรัทธาแม้แต่บวชกันมาแล้วเป็นสิบปี2ี่สิบปี4ี่สิบปีขี่เต็มฐานวิปัสสนใจไม่ศรัทธาเห็นว่าสมัยนี้หมดอายุแล้วโวย้ยหมดสมัยมรรคผลนิพพานหมดสมัยพระอริยจ้าหมดสมัยพระ อ, อรหันต์แน่แสดงว่าหมดศรัทธาเสร็จแล้วต้องมาสวดว่า สว่าคา cus, โตปะขาวตาธทำโมสันทิจิโกอาตาลิโกเอปฏิโกโอปนายิโกปจตังเวทิตาโพวินยูหิเสร็จแล้วก็โกหกตัวตัวเองต่อไปมาไหว้พระพุทธสหัสามิทาสวะพุทโธเมสามิกิตะโลข้าพเจ้าเป็นท่าของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นนามีอิสระเนื้อชีวิตของข้าพเจ้าวันทันโตหังเจริษามิพุทธเสวะตโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตาม ซึ่งพระพุทธเจ้าว่ากขาไปนั่นวันทันโตหังจริญสามิธรรมเตวสุธรรมตังไหว้ยอยู่จะประพฤติตามพระธรรมไห้อยู่จะประพฤติตามพระสงหมอบตายทาวไว้ชีวิตโว ซ, ซื่อซื้อแต่ไม่ทําเพราะไม่มีศรัทธาบอกว่าหมดสมัยแล้วไม่มีพระ อ, อริยะเจ้าแล้วหมดสมัยมาผล น, นิพพานทําไปก็ไม่มีประโยชน์จะไปหาเหตุเลยอยู่ไปกินไปวันวันนึงกว่าแล้วไปเถอะเนี่ยนี่เราไม่มีศรัทธา เสร็จแล้วก็ไปสวดว่าสวาขาโตปการวตาธรรมโมพระธรรมดีบ่มีภาคเจ้าตัดไว้ตีแล้วสันทิติโกผู้ศึกษาปฏิบัติพึงเห็นได้รวยตนเองอาตาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดกา ร, รบ่มียามเบิดจักเถือแต่เราก็พูดอยู่พูดเฉยเฉยไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามนั้นเพราะเราไม่มีศรัทธา เมืม่อมีสตามันก็ไม่มีความเพียรไม่มีความเพียนก็ไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาศรัทธาสําคัญมากรวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงจึงกล่าวว่าศรัทธาพันทติปาเทยานีปับบุเดยาท่านพูดอย่างนี้วันนี้ท่านทั้งหลายมาพ่อพูนศรัทธาเหมือนพระหนุ่มเน่นน้อยที่ท่านได้สวดเมื่อกี้สุดท้ายท่านรวบรวมความหมายประมวลลงเป็นบทสโปว่าตัสามาสัทธันจะสิลัญจะปาสสะทางธรรมทัศนัง อนุยุนเทธาเมธาวีสรังพุทธานาซาสนังเพราะเหตุนั้นแรงเมื่อละลึกได้ถึงธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่ผู้มีปัญญาควรพอกพูนศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นในธรรมให้เนืองๆนี่เป็นรับอันประเศรศสริฐซับพวกนี้ขายป่นไปไม่ได้ท่านมีข้าวของเงินทองมากมาย ก, กายกองรับนั้นไปว่าเครื่องปื้มใจ ศรัทธานี่ทำให้ปื้มใจศรัทธาวิตรังบริษัทศักดิ์สถังศรัทธาเป็นเครื่องปื้มใจเป็นทรัพย์อันเป็นส่วนในโลกเขาว่าทรัพย์แปลว่าเครื่องปื้มใจวิตรังเครื่องปื้มเรามีเงินทองเราปื้มใจมีรถคันใหม่ๆงามๆปื้มใจมีบ้านหลังใหญ่ๆปื้มใจมีเมียคนงามๆปื้มใจมีผัวหล่อๆปื้มใจถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งปื้มใจถูกเลขปื้มใจนั่นเป็นทรัพย์ แต่ทรัพยวกนี้นอกจากปื้มแกลแล้วมันเป็นซับซอโซไม่หันอากาศบ่อใบไม้ซออาซาซาบอซับซับเอาความสุขให้เฮือดให้แห้งไปได้มาแล้วก็หึงหวงกลัวจะแตกจะสลายจะพับจะพากลม่มจะหายจะตายจะจากกันไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจมีเงินมีทองก็เป็นทุกข์เป็นโลกประสานมีลูกเป็นทุกข์เพราะโลกมีเมียมีผัวเป็นทุกข์เพระพาะลูกเพราะผัวเพราะเมียแต่ห่างลูกไม่ดีเมียไม่ดีผัวไม่ดี ลูกไม่ดีมันไม่เป็นลูกแก้วมันไม่เป็นทรัพย์อันประเสริฐของพ่อของแม่ถ้าลูกดีนั่นจึงเป็นทรัพย์อันประเสริฐของพ่อของแม่ลูกมีแต่ดมกาวสูดดมทินเนอรอกินเหล้าเมายาสมเปรเทเมาพานเผาจิตใจพ่อแม่ให้เราร้อนเหมือนตกนรกมีแต่ไปก่อเวรสร้างกรรมพ่อแม่ตามไปแก่ไปไขไปเช็ดไปล้างอย่างนี้ไม่ใช่ลูกล้อลูกลอก จากโลกแล้วก็ลากลากพ่อแม่ลงในนรกลากพ่อแม่เข้าคุกเข้าตารางลูกไปติดอยู่ในคุกในตารางพ่อแม่ไม่เคยไปคุกก็ต้องตายลูกมันลากไปไม่ใจเจือใจดำเพียงพอไปเกาะลูกกงในที่สุดเป็นลูกเกาะให้พ่อแม่ไปเกาะลูกกงลูกเลยอดเอาเดิรล่าเดอร์ดตามเวนเจ้าสางไว้แน่ อาไปเอามากลากพ่อลากแม่ให้ตกนรกเอาไหลเอานาไปจำนงจำนองไปค้ายไปสู่ความไปสู่คดีเอาลูกออกมาจากคุกจากตารางอย่างนี้เรียกว่าลูกลูกหลอกลู ก, ล, กลากลูกเกาะลูกองศาลาพัดมันไม่เป็นทรัพย์อันประเสริฐมันเป็นซอโซไมฮันอากาศบอกไปไหมซับรัพย์เอาความสุขจากใจพ่อแม่แล้วก็ทรัพย์ความทุกข์เข้ามาใส่ใจพ่อแม่ ผัวไม่ดีลากเมียให้เป็นทุกข์ใจจนเป็นโรคประสาทต้องกินยาล้วงับประสาทนอนเงินเดือนออกผัวมัวจะไปเล่นไพ่ไม่กลับบ้านโซปูรีกินเหล้าหัวลาน้าไม่สนใจลูกเมียจะเป็นอย่างไรเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่กษัริย์การไม่คำนึงถึงหน้าที่กินเหล้าเมายาเมียเป็นห่วงพ่อแม่เป็นห่วงกลัวเขาจะไล่ออกจากหน้าที่เป็นทุกข์อีกแล้วเนี่ยเมีย ไม่มีสินไม่มีทํามไม่มีทรัพย์ภายในเมียไม่ดีนอกออกนอกใจลพัวเพล่เหมือนไหลไปแล้วไปเที่ยวสนุกสนานคนโน่นคนนี้เอาเงินพัวเป็นเล่นการพานั้นเล่นไปดํามงดำมีท่าอย่างนี้มัดอะไรเป็นทรัพย์มันเป็นทุกข์เลยกันทั้งนั้น ท้อเหตุเช่นนั้นแหละซัพบภายนอกนี้บางครั้งก็นํามาซึ่งความทุกข์เศรษฐีมีเงินมากๆต้องไปจ้างมือปืนแย่เป็นแถวแต่มันสุขใจที่ไหนมันเป็นทุกข์ใจด้วยซ้ายําไปแต่ซับภายในคือสถานีมั่นใจในคุณงามความดีที่ตนเองได้ทํามั่นใจในบาปบนคุณโทษเชื่อมั่นว่าบาปมีบนมีในโลกมีสวรรค์มีทําแล้วสบายใจตายเมื่อไหร่ชันก็จะไปสู่พระโลกที่ดีที่งามที่จะทําให้ดีงาม พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อจิตไม่เศร้าบองแล้วจิตเตอสังกิติเถสุขติปฏิกรขาทางที่จะไปอันดีงามนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลย คนที่สร้างคุณงามความดีตายแล้วก็ยังพอใจที่จะตายคนทําชั่วเวลาจะตายกระบวนกรวารดิ้นรนอารมณ์สุดท้ายมันบีบคั้นจิตใจเห็นแต่กรรมชั่วดีตนเองทําเงินทองเข้าของจ้างไว้ไม่ได้พี่น้องเต็มบ้านเต็มเรือนมาหายใจช่วยไม่ได้มีแต่บาปบุญของคุณเองในที่สุดมันก็เป็นทุกข์จนตายตกนรกตั้งแต่อย่างไม่ตายเพราะนั้นศรัทธานี่สาคัญเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ย่อมสร้างแต่คุณงามความดีวันนี้ท่านดังไล่ได้มาถาวายพ่าอาเจยกจีวรีบโดนเพื่อเป็นการข้อภูณศรัทธากลัวว่าวันสุดท้ายเราอาจจะมาถึงอาจจะไม่มีโอกาสโดยเฉพาะศรัทธานี่แต่มาต่าวว้นะกไว้หนาเชื่อแล้วเกินพู้ไเจ้าท่านสอนว่าศรัทธาเปิดนี้โจรป้นไม่ได้ ไมเหมือนทรัพภายนอกขํามาแล้วรีบนอนคนมีเงินมากๆออกไปเที่ยวเดินตามถนนล้นแคมนอนใต่ไต่ตะรางใต่ทุนไม่ได้พราะเป็นทุกัวเขาจะมาป่อนอย่างคนโบราณบอกว่าเจ้าพูนนอนในม่งสังมาหายยุงกัดเดย์น้อ่อยพูนนอนเปื่อยป่าสางมามียุงต้องสักกโยงกันญานเต็นสัมายืนต่างเทียงของเราขํามมาเหมียงสังเจ้าขับบวไว้ของนักสร้างถือได้ไปมาโดยง่ายคําแพงเอ้ย นอนในมุ่งเสมาม้ไห้ยุ่งกัดไมยถึงคนที่มีทรัพย์ภายนอกเข่าของเงินทองมากม า, กกายกายกองยังนอนเป็นผู้กลัวเขาจะป่นกลัวเขาจะโกงนอนที่ไหนกลัวเขาจะจับไปเรียกค่าไทยคอยผู้นอนเปลยป้าสั่งว่มียุ่งต้อง คนที่มีทรัพย์ภายในมีบุญมีคุศนได้ทําไว้แล้วมีศรัทธาทำไว้แล้วสบายใจตายวันนี้ก่อนมีเศรามีแหงตั้งใจอย่างดีเราได้สร้างไปคุณงามความดีไม่มีใครเกียใครชังจะนอนตรงไหนก็ได้ไม่มีใครมาป้นเอาศรัทธาไม่มีใครมาป้นเอาศีลหนึ่งมีใครมาป้นเอาฮีโอตปะจาระปัญญาป้นไม่ได้แต่เห็นไหมะ นอนเ ป, ปื่อยปลาแสงบะมียุ่งต้องสักัโยงขัยานเต็นสั้งมายืนหักอไหวเดี๋ยวนี้ชีวิตมีอาการเหมือนกับจะวิ่งสักัโยง ข, ยขัยานขำไม่ได้ยืนคืนไม่อยู่กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนคิดกุ้มทั้งคืนกลางวันรีบทํางานเป็นไฟไม่หัวกลัวจะไม่ทันตัญญาทํางานแข่งเวลาอยากจะได้เงินสักัโยงขัยานเต็นสั้งมายืนตั้งเทียงของตัวขํามหมากเมีย่ยงสั้งเจ้าหาก บ, บ่อไหวเต้นไปเต้นมาตายสัําบ่อไรคือเขา ได้หลายๆคนจะได้ทิ้งไว้ในโลกสังมัย์ยืนต่างเทียงค้องก็คข้ามหมากเมี่ยงสังเจ้าหับบะไว้เรื่องศรัทธาเรื่องศิลเรื่องความอายชั่วกัวบาปนาลกสวรรค์บา บ, บุญคุณโทษชาตินี้ชาติหนะ้าไม่หนักไม่นะไม่ต้อง เป็นต้องวิ่งคิดจะทำไปอย่างสาบายใจทําไม่ได้ของทอขํา ม, มากเหี่ยงสังเกาหาักบวายของนักสร้างถือได้ไปมากโดยง่ายหาเงินหาของหนักหน่วงและยังมันหนักบนหัวอีกนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทในที่สุดอยากจะรวยมากมากไปฝากธนาคารไว้อย่างไปฝากกับแค่แม่ชะม้อยกดทู ก, กงอ้าวเป็นโรคประสาทเพ่อแม่ชะม้อยอีกแม่ชะม้อยมีเงินมากมากไปเข้าคุกตัดสินมาเป็นแสนแสนปีบ้า นี่เรียกว่าทรัพย์ภายนอกมันทําให้เกิดทุกข์ได้ส่วนทรัพย์ภายในนั้นไม่มีใครป้นได้และก็ฝากธนาคารไว้ไม่ได้ด้วยจะไปฝากธนาคารไหนธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยเกษิกรไทยที่ไหนไม่ได้ออมสินไหนไม่มีใครรับไว้ฝากสัทาไว้นเนอจะให้ผู้ขาดมืดสัทธาในสินในสมาธิในปัญญาในพระพุทธประธรรมประสงค์ให้มั่นคงเป็นแก่นเป็นแกนเป็นหลักเป็นฐานไม่มีใครรับประกันได้เพราะพู้ตระชาก็รับประกันฝากไม่ได้พระ อริยะเจ้าอรหันก็รับฝากไม่ได้รับฝากเป็นธนาคารสถาบไว้ไม่ได้ต้องฝากไว้ในธนาคารใจบูถึงตรงนี้อาดามาก็นึกถึงเรื่องราวในพระไตรปิฎกพระพุทธิยานตัดสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าสุปวาสาสูตรในสุปวาสาสูตรนี้อยู่ในอุทานวัคุตการิกายพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่ห้าสิบเก้าหน้าที่เก้าสิบสาม ถ้าเล่าเรื่องถึงผู้หญิงเล่าให้ปั๊บเล่าให้พระทรงองค์เจ้าทั้งหลายฟังแล้วก็มันเป็นเรื่องความจริงในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่อ่าป่ากุนพิธานวันใกล้พระนครกุนทิยาในสมัยนั้นนางสุ ป, ปวาสาซึ่งเป็นลูกสาวของพระเจ้าโกลิยะมีลูกเจ็ดปีแล้วก็มีคันหลงอยู่ถึงเจ็ดวันภาษาจำนวนพระไตยบิฎกฟังอย่างคันห ล, ล, ลงเจ็ดวันคันหลงเลยออกลูกอ้าน่ะ ออกลูกค้ามีหลวงในทองแจดปีออกมาแล้วก็ยังข้ามันอยู่ดอนโพนมันตัวใหญ่หรืออย่างไรข้าอยู่อีกเจ็ดวันตายแน่ๆก็เลยบอกผัวว่าพี่เอ้ยไปกาบพระผู้มีพระภาคเจ้าลงตรงกาบลงตรงเท้าของพระองค์และจุ่มพิษฝากขอให้พี่ในจงไปฝากว่าหม่อมชั้นให้มากาบขอให้พระองค์จงทรงกรเกษมพระสรํมราสมีพระชนมายุย่งเยือนนานเป็นที่พึ่งของหมู่ มวลมนุษย์และปวงสัตว์ตลอดทั้งเทวดาทั้งหลายอยู่นานๆม่อมชั้นตายแน่ๆแต่ศรัทธามากหล่นในพระพุทธเจ้าตายก็ไม่เป็นไรขอให้พุทธเจ้ามีอายุยืนได้สั่งสอนประชาชนต่อไปหัวก็ไม่ใจเจดิดใจดำเปวนความปาถนาเขามีที่กำลังทุกลูกออกมาค่ะสมัยนั้นคงไม่มีโรงพยาบาลไปผ่าไปดูดออกอย่างสมัยนี้ก็รีบไปกราบพระพุทธเจ้า เล่าเรื่องให้ฟังว่าเมียผมเรียมีลูกเจ็ปีในท้องแต่คลอดออกมาแล้วก็มาคาอยู่เจ็ดวันแล้วไม่รู้จะทํายังไงทั้งรกทั้งลูกคาอยู่ตรงนั้นก็เลยนางมั่นใจว่าจะตายแน่แต่มีความศรัทธานในพระองค์ก็ให้มากราบฝากกราบลงหลังเท้าแล้วก็จุมพิษบนหลังเท้าอวยพรขอพระองค์จงมีพระชนมาายุยั่ยงยืนนานกเกษมสําราญเป็นที่พึ่งของเทพเจ้าเหล่า ม, ามนุษย์และปวงสรรพสัติ์ทั้งหลายในโลกนี้นา น, าน พระพุทธเจ้า่านบอกว่าขอให้ขันของนางจงตอดภัยเถิดโซธิคภัสสะกลับไปเถิดพานางดีแล้ว พ, พุทธเจ้าให้พรทางง้องอดพูดออกมาเลยด้วยอํานาจแห่งพุทธานุภาพออกมาดีใจผัวกลับมาอา้าวเมียบอกดีใจผัวบอกว่าพอไปกราบเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านอวยพรให้ท่านบอกว่าออก ให้คันของนางปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเถิดนางก็ขอดดีใจเหลือเกินบอกพี่เอ๋ยเราไม่ตายเพราะอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพอย่าหันเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มเทวตมาบอกเล่มที่ยี่สิบห้าก็ที่ห้าสิบเก้านั่นน่ะหน้าที่เก้าสิบสามแต่เปิดลูกเสร็จแล้วก็บอกผัวว่าพี่เอ๋ย กลับไปกราบพระพุทธเจ้าข อ, อนิมนให้ท่านมาฉันในบ้านของเราตลอดทั้งพระภิกษุสองมีเท่าไหร่นิมนมาหมด400อยห้า้อยขอให้เราได้ทำบุญอย่างชื่นใจเราไม่ตายเพราะอำนาจแห่งพุฏิานุภาพหมดเงินหมดทองจะตายก็ไม่ว่าขอให้ได้ทำบุญในครั้งนี้มีสถามากผัวก็กลับไปกราบพระพุทธเจ้าข อ, อนิมนพระพุทธเจ้าก็รับ เมื่อลําแล้วก็บอกพระโมคคัลลานะไปบอกภาคอื่นเถิดบอกภาทุกๆรลุ่มนะพรุ่งนี้เราไปฉันที่บ้านนางสุปวาสาโกริยะเจ็ดวันติดต่อกันพระโมคคัลลานะบอกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าโยมอุปถากของผมนี่ได้นิมนต์ไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปฉันที่นั่นโอโมคคัลลานะ เธอจะเข้าไปยังในบ้านของโยมอุปถาของเธอแล้วขอพูดผัดไว้ก่อนเอาไว้ถวายทีหลังหลังจากเจ็ดวันแล้วจึงถวายจะได้ไหมโมคะลานะข้าโมคะลานะก็รับคํากล่าวของพระ อ, องค์รับพระดํารัสแล้วก็รีบไปหาโยมอุปถาบอกโยมเอ้ยมีเรื่องขัดข้องซะล้วละ่ะที่โยนมนิมนต์เมื่อวานให้พระมาฉันพรุ่งนี้นั้นอาตมาได้รับบัตรนี้ขอเปลี่ยนอีกหลังจากเจ็ดวันได้ไหมโยมคนนั้นก็มีศรัทธากล้าก็าถามว่าพ่อเหตุไดแล้วพระขุณเจ้า ก็ในเมื่อข่านรับแล้วมีปัญหาอะไรพระโมกขลาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าใช้ให้มาพระองค์ได้รับเมื่อกี้นี่คํา นิมนต์ของนางสุปวาสานางนี้มีลูกในครรภ์ถึงเจ็ดปีออกมาก็คาอีเจ็ดวันพระพุทธเจ้าท่านอวยพรให้นางก็เลยคลอดออกมาด้วยความปลอดภัยนางมีศรัทธามากที่ไม่ตายเพราะอํานาจแห่งพุท ธ, ธานุภาพก็เลยมาขอนิมนต์ให้ผัวมาในมิมนต์ไปฉันในบ้านเจ็ดวันฉลองศรัทธาให้ได้ทําบุญเพื่อฉลองวันเกิดของเด็กน้อยอายุเจ็ดปีในท้องนั้นด้วยเอ้ยยมุปาถาพระโมคคัลลานะบอกว่าท่านผู้เจริญ ในเมื่อท่านรับองค์ผมแล้ว ท, ทําไมจะต้องไปฉันของคนอื่นเล่าให้คนนั้นถาวายกี่หลังได้ไหมให้ผมถาวายก่อนเธอผมก็รีบด่วนเหมือนกันพระโมคคัลลานะบอกว่าคนโน้นรีบด่วนกว่าเป็นอัจเจกฐานฐานอย่างรีบด่วนเพราะนางอยู่รอดตายมาเจ็ดปีไม่ทราบว่าจะอยู่ไปได้อีกกี่วันนี่อยากจะทําบุญเป็นการรีบด่วนท่านผู้เจริญแม้ผมเองก็รีบด่วนเหมือนกันผมก็จะตายเป็นเหมือนกันจะว่าทําไมแต่ผู้หญิงมีคันถึงเจ็ดปี เอาอ่างนี้ก็แล้วกันเรามาต่อรองกันดีกว่าท่านจะรับประกันให้ผมได้ไหมผมจึงจะเปลี่ยนให้หนึ่งภายในเจ็ดวันนี้ชีวิตผมจะต้องไม่ตายสองทรัพสมบัติที่ผมมีอยู่จะไม่ต้องพี่หน้าพ่อไฟเพราะลมพ่อน้ำท่วมพ่อถูกโจรป่นเพ่ออะไรต่างๆสามศรัทธาของผมที่มีอย่างมั่นคงที่จะถาวาเนี่ยอย่าให้เปลี่ยนแปลงไปภายในเจ็ดวันอย่าให้มีเทวดามารพรมาชักจูงให้จิตใจผมหันเหได้ไหม ถ้ารับประกันได้โอเคผมก็จะหาวายทีหลังพะโมกลานะอ่านขึ้นไปขึ้นมาบอกดูก่อนคือฮะบอดีอาตมาขอรับรองรับประกันได้สองเงื่อนไขต้นหนึ่ง ชีวิตของโยมภายในเจดวันเป็นตายร้ายดีอาตมาจจะเอาคอประกันรับรองจะช่วยให้ไม่ตายเพราะท่านมีฤทธิ์มากพระโมกขลานี่มีฤทธิ์ถึงขนาดเอาหัวแม่เท้าสะกิดเวยชยันปราสาทของพระอินจนมันไวเอียงกระเทะเล่บนสวรรค์ทำยังไงก็ได้ท่านบอกว่ารับประกันไม่ให้ตายได้ภายในเจ็ดวันทรัพย์สมบัติของโยไม่ให้พินาศเพราะไฟเพราะลมเพราะน้ําท่วมเพราะโจรพ้นภายในเจ็ดวันได้แต่เรื่องศรัทธาของโย อาดามารับประกันไม่ได้มันเป็นทรัพภายในไม่ใช่ทรัพภายนอกยิ่งกว่าสิ่งใดโยมจะต้องรับประกันเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็รับประกันให้ไม่ได้เรื่องสัาเอาไปฝากธนาคารไหนได้ข้อเหตุนั้นโยมรับประกันเอง ยศสรัทธาตถาคตต้องรักษาศรัทธาอันที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเราลึกถึงคําสั่งสอนของพระ อ, องค์แล้วให้พ่อพูนศรัทธาพ่อปูนิีลพ่อปูนความเห็นอันผูกต้องความเลื่อมใสให้ถึงพร้อมคนอื่นรับรองให้ไม่ได้อาตามารับไม่ได้พอผููอย่างนี้เสร็จ คนนั้นก็รับรองเองอ๋อจริงสินะศรัทธาใครก็รับรองให้ไม่ได้เพราะเป็นทรัพย์อันประเสริฐภายในผมจะรับรองภายในเจ็ดวันศรัทธาผมจะไม่งอนเงียนคองแทนส่วนเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินท่านเป็นผู้รับรองเอา้าตกลงก็เลยยอมแพ้ให้นางสุ ป, ปวาสานี่แหละท่านตั้งหลายนางสุ ป, ปวาสาทำบุญด้วยความชื่นชมลูกน้อยอายุเจ็ดปีเดินย่องย่องไว้มันใหญ่พอโรงเรียนตั้งแต่ในท้องคุณน้อ ก็ไลยมาถวายน้ำถวายข้าวกับพระคุยกับพระต้าเลยภาษาลิบุตก็เลยถามบอกนี่เนะี่ยพ่อหนุม่มบกลาคำหน่อยเป็นอย่างไรหลายอยู่ในทองเจ็บปีมีงสบายบอกพ่อทอนได้บอกมีความสุขบอกเด็กน้อยบอกวา่าถ้าคุณเจ้าปู่เจริญโอ้ยสิทนได้จังไดบอกเป็นตายอยู่ตากินยามันมันทุกข์มั น, มนยากอยู่ในเมือกในไครในเลือดพร้อมอจะออกมาใจสิขาดตายแต่ออกมาไม่นั่นน่ะ พระพุทธเจ้าว่าทุกครั้งชาติปุรนักปูนังเกิดทีไรเป็นทุกข์ลำไปพ่อเป็นแม่ก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์อยู่ในท้องก็เป็นทุกข์คลอดออกมาก็เป็นทุกข์เจ็บปวดรวเล้าทั้งพ่อทั้งแม่แต่เราทั้งหลายก็ยังอยากจะเกิดสาทุกขอให้ได้เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์โดยคุณงามความดีที่ทําในวันนี้ถ้าทําชั่วก็ไปเกิดต่อไปในนรกนห่นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นอสุรกายแต่พระอริยเจ้าไม่อยากเกิดไม่อยากตายนาพินันทานิมรานังชีวิตนี้ฉันไม่อยากตายนามมิิิจัันนทาชชีีววตตงไ่พอใใ เป็นอยู่กาลันจะปฏิกังขามิฉันรอคอยเวลาที่จะมาถึงวัด นิพพิสังกตโพยะถาเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาสิ้นเวลาและรับเงินไปพระอริยเจ้ารอคอยความตายมาถึงจะนั่งดูความตายเสื่อมไปสิ้น ไ, ไปเหมือนคนดีๆนั่งดูตะเกียงมอดเมื่อมันหมด น, น้ํามันหลีลองหลีลองแล้วกระดับไปสมบูรณ์้วยสติสัมปชัญญะท่านไม่อยากอยู่ไม่อยากตายไม่อยากเกิดไม่อยากตายไม่มีชีวิตอยู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่และไม่อยากตายอันนี้เราทั้งหลายคงฟังกันไม่ค่อยจะเข้าใจต้องมาปัปพืชสมาธิภาวนาให้จิตใจมีวิปัตตนาเห็นเท่าทันสติอารมณ์ อยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อเราหันอารมณ์อยู่ทุกเมื่อผัสสะที่มันเกิดตาหงจมูกริ้งกายใจจนเห็นมันสิ้นไปเสื่อมไปเป็นอนัตตาถ้าอย่างนี้เราไม่อยากเกิดไม่อยากตายทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามแม่ของเด็กเป็นยังไงนาง มีลูกเจ็ดปีคลอดออกมาคาอยู่ตั้งเจ็ดวันแต่ลูกอย่างนี้เธอยังอยากจะได้อีกไหมนางนี้บอกว่าลูกอื่นอีกเจ็ดคนดิฉันก็ยังอยากได้ถ้าหากเหมือนคนนี้ออกมาเดินต อ, ย, อย่องทําบุญสุนทรธารมตั้งแต่วันเกิดพูดคุยกับพระทรงองค้าอย่างนี้มีอีกเจ็ดคนก็เอาอยากได้นี่คือไม่พอใจถ้าลูกดีอยู่ในท้องเจ็ดปีก็ยังพอใจเจ็ดคนเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าโว้ ปานนั้นยังบ่อยานบ่อยานขันลูกดีขันลูกบ่เป็นตาแตกนี่โอ้ยก็เหมือนก้อนอุจจาระที่เบ่งออกมาไม่มีประโยชน์แล้วมาเป็นโทษก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเอ้า เห็นที่จะต้องสมควรแก่เวลาล่วงเลยมาพอสมควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เจ้าได้สวดบุพภ้างแห่งประธรรมคณะสาธยายท่านทั้งหลายจึงอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณอกาบนี้โดยทั่วกันเทิน